ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศิกคาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่รับพอจะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสองจริงหรือท่านทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควร ไม่คล้อยตามโมค้าบุรุษฉนั้นเธอจึงนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่รับพอจะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสองเล่าโมค้าบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้